ฟนะางธรรมต่อเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่มีส่วนประกอบที่จะได้ลูกจากสิ่งที่พูด เรามาศึกษาของทฤของจริงดูซิมันทีมันเกิดจากกายใจเรานี่ผู้ศึกษาจะต้องเห็นเองตอบได้เองไม่มีคำถามแปบลบว่าถ้าจะตอบได้ต้องมีสติตามหลักของกรรมฐานเพื่อสร้าง ดวงตาภายในที่จะได้เห็นสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราไม่หลักดูตอนที่พระเจ้าทรงสองสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องนี้พระองค์ทาอย่างไร เราก็เรียนรู้ไปตามปฏิบัติไปตามคำสอนที่มีอยู่ในพระสูตรในวันที่จัดสลู่นั้นพระองค์ได้นั่งอยู่ใต้ร่มไม้คู่แขนเข้าเหยียบแขนออกไม่มีสติรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของกาย เรียบว่ามีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำเรียกว่ามีสติรู้มีหลักดูมีจุดหมายมีที่ตั้งเรียกว่าวิชากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำมันจะศักดิ์สิทธ เกิดจากการกระทำไม่ใช่เกิดจากความคิดความเหตุเ็ผลเมื่อแยกเมืม่อแยกเมื่อมาประกอบไม่ใช่แบบนั้นเกิดจากการกระทาการกระทานี้จะเกิดการพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็น นกายก็มีสติเห็นจริงๆลูกกายดูแขนเข้าเียดแขนอกรูไปตามการเคลื่อนไหวของกายที่เป็นรูปเพื่อให้สติมันมีจุดเด่นเฉพาะเรื่องไม่ต้องไปดูันอื่น ถ้าสิ่งอื่นมาเกิดขึ้นก็ให้กลับมาดูที่กายไปก่อนให้มันเข้มแข็งให้เป็นเจ้าถิ่นเช่นก่อนจะชำนานเหมือนเราอยู่วัดป่าสุโกโตหนึ่งปีสองปีสามปีก็ชำนานในที่นีแตะตีเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่นาที่ใดทางเส้นไหนเมืเ่อเดินมาไกก็เห็นทุกต้น จะว่าได้ที่เป็นต้นสําคัญสําคัญต้นสมุนไพรที่เราเคยเห็นก็ผ่านตาอยู่เรื่อยๆก็รู้ได้และเมื่อรู้เห็นก็บอกคนอื่นได้ไม่ผิดพลาดเจ้าทินจตีเป็นเจ้าถินของกอยเป็นเจ้าของกอยเราจะยิ่งใหญ่ อีอำนาจมีความเป็นธรรมปาษาพูดที่พระเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าเห็นกายส ว, ว่ากายนั่นนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลกโหแต่ก่อนไม่ได้เห็นแบบนี้โอากาสมาเป็นสุขโอากาสมาเป็นทุกข์โอากาสมันเป็นอะไรต่างๆมากมาย สิงไหนที่เกิดกับนไปเป็นพละเป็นกรรมไปหมดก็นี้เห็นสัจธวรมกายมันก็เป็นไปเองถ้ามีสตินั่นแหะมันก็รู้แล้วนั่นแหะเรียกว่าสักธรรมอาเราที่มันแสดงออกจากกายเราเห็นเห็นแล้วมาได้เข้าไปเป็นกรรมมัน แต่ก่อนเป็นไปกับมันทั้งหมดมันโลนก็เป็นผู้โลนมันหนาวเป็นผู้หนาวมันหิวก็เป็นผู้หิวมันเจ็บก็เป็นผู้เจ็บมันเหนื่อยมันเบื่อมันปวดอะไรต่างๆก็เป็นไปกับมันทั้งหมดบัดนี้เห็นจุดเด่นมันเห็นแล้วบัดวางที่นั่นแล้วเห็นสัจตว่าแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาสักธรราแล้วไม่เป็นตัวเป็นตนเข้าไปอยู่ในกาย จะเข้มแข็งขึ้นค่องตัวขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเดีวฝึกอาไปเอามาไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวมีความคิดที่มันเกิดขึ้นมาอีกที่ไม่ตั้งใจน่าจะดูกายองความคิดโชว์มาแซงมานั่นก็ได้เห็นอีกอย่าเพิ่งไปกําหนดอย่าเพิ่งไปเอา มาเป็นเรื่องศึกษาให้มากับมาเห็นกายก่อนเหมือนกับง่ายขึ้นเหมือนกับไม่นั่งล้านที่จะขึ้นเป็นสูงขึ้นไปตีตะปูดอกเดียวต้องไม่นั่งล้านหรือเคลนขึ้นไปอันนอดมาก็ง่ายเพื่อจะได้เห็น สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจบ้างที่มันคิดทวารของใจคือมันคิดอย่าพึ่งไปเอจริงเอาจังอย่าพึ่งไปห้ามมันแปลอผิดเอาถูกกับมันไม่ถือสาหาเรื่องกับมันเอาไว้ก่อนกับมา่ลูกกายให้มันเข้มแข็งเสียก่อน ในสติลงไปตามหลักกรรมฐานโดยเฉพาะวิธีการเคลื่อนไหว14จังบะัะมันเพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งได้ทุกวินาทีก็ได้มันกับพลังเสริมอยู่เรื่อยๆเสริมอยู่เรื่อยๆทุกวินาทีได้เป็น กำลังคนนักลบก็มีพลังมีใช้ภูมิที่ดีมีสมอระภูมิที่ดีย่อมเกิดใชยชนะได้มีสติแม่นยำทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกับอาวุฒิปภ้อศึกออกจากดูกรแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมา กรู้ทันทีรู้ทันทีแม่นทุกทีไม่ไม่เช่นสุกก็ไม่ได้เป็นสุขเห็นมันสุขเรียว่าแม่นแล้วมันทุกก็ไม่ได้เป็นทุกเห็นมันทุกแล้วแม่นแล้วนี่แล้วว่ากงพนก็สึกก็ ส, ขขสุกก็เสื่ึกความทุกก็ก็สึก เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์นี่คือปราบฆ่าศึกมามาเป็นตัวลู่สิแล้วตอเราที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกลายเป็นเรื่องลู่ไปหมดเลยจะเป็นอย่างไรลองดูสิน่าจับจัดเกณฑ์แม่นยำจริงวันเดียวก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงคืนเดียว ต้องให้ดีๆ ด, ดูเวลาเราปฏิบัติอย่าทำเฉยๆว่าทาปล่อยให้วดวงคุณคิดหมกุนคุณคิดไม่รู้จักความคิดก็ปล่อยไปามให้ไมคิดอะไรไปตามความคิดหมดเบื่อก็เป็นผู้เบือ่อเอาความเบื่อมาตจดสินใหญ่กว่าการกระทํามันก็โอนเอ แล้วก็ไหวไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เฉื่มแข็งจะยอ ม, ม, มเหอะทำไเฉื่มแข็งตรงที่เหมือนอ่อนแอบังให้มันแม่นยําชัดเจนอยู่เสมอการชัดเจนแม่นยาําอยู่เสมอนี่กลายเป็นสมาธิ ที่เป็นสมะระมิชในไตรสิขาอาจจะไม่ได้นั่งหลับหูหลับตานั่งรูปแบบนั่งนิ่งๆอย่างเดียวแม่นยอมสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติมีสติเข้าไปดูไปเห็นอย่างแคดเจนแม่นยอมเพื่อนมันหลอกไปได้กลายเป็นสติปัญญาไปเลยเห็นอยู่ไปบ่อยเห็นคอเห็น คมคิดจุไอบอกก็เห็นเป็นรูปเป็นน้ำขึ้นมาได้ได้หลักได้ฐานจับได้ไล่ทันเมื่อได้หลักได้ถานก็ยอมสัจสารภาพความเป็นจริงเช่นไรนี่มันเป็นรูปนี่มันเป็นน้ำรูปมันเกี่ยวกับรูปแค่ไหนเพียงไรเกี่ยวกับน้ำแค่ไหนเพียงไร อาการที่มันเกิดขึ้นกับลูกผุน้อมอย่างไรจริตที่มันเกิดขึ้นกับลูกก็เป็นอาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนามคือจิตใจเทวันของใจความคิดก็เป็นอาการนันหนึ่งไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่ก่อนไม่เป็นสุกเป็นทุกข์โบเห็นมันเป็นรูปเป็นนามนเป็นอาการธรรมดา เล็กน้อยจ้อยจิ๋วไม่ภาษีภาษาอะไรเึ็นความเท็จความจริงที่มันเกิดขึ้นกับไปกับใจมันก็บอกไปเป็นสูตรไปผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้เองเห็นเองเป็นปัจจิตังของผู้ปฏิบัติ บางทีเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาก็อย่าคิดหงคำตอบคำถามเพิ่งคนอื่นเกินไปให้เพิ่งตัวเองมันมีหลักอยู่แล้วเอาไว้ก่อนอาการที่เกิดกับกากับใจบางทีก็มีสาทธาสาทธาพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์น่นาจะ มีผู้ถามมีผู้ตอบบางทีเราก็อยู่คนเดียวไม่มีครูอาจารย์หลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้อยู่เราก็ต้องทิ้งไว้มาเฉลิญกรรมฐ า, านต่อไปที่สุดมันก็ตอบทีหลังเฉลยไปหมดเลยมันก็ผ่านไปเราก็เห็นข้างหลังอยู่ ไม่ออกข้างไม่เอาที่ภาวะที่เห็นมาเป็นแท้าหน้าผ่านไปก่อนเหมือนกับเราเดินทางผ่านไปถึงที่มืงอะชก่อนมันก็ลู่ขึ้นมืองอะที่หลังได้ต่างเที่ยวผ่านไปแท้ๆทาไมเราจะไม่เห็นบางทีไม่ได้ใสยใจที่จะต้องมันเป็นอะไรมักลู่ไปที่หลังแต่ฉานที่หลังก็ได้ บิกถอยหลังก็ได้เป็นสติปัญญามาให้เป็นสติปัญญาหมดเลยบางอย่างที่มันมีปัญหากลายเป็นปัญญาไปเสียแล้วเรื่องทุกข์ที่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กลายเป็นปัญญาไปเลย สุขไม่ได้เป็นสุกทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นรูปเป็นสติปัญญาไปมันก็มีอยู่ในกายในใจนี่นี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนมันเห็นแล้วจึงขี้ขี้บก เกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดกับปากับไกลอย่างไรไมนสนุกนะเห็นของเทศของจริงที่เวลาเราปฏิบัติที่มันมีอยู่ในกายในใจเรานี่ไม่ตู้แนนามนี่บางทีนั่งเฉยเฉยให้มันลู้ให้ดูทะลุทะลวงไปบุกบุบบุบเบิบบบไปเหมือนกับ มันก็เล่นอะไรที่กิ้งไปไปชนอันหนึ่งก็ล้มไปหลายอันนะ่นั้นเห็นอันหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งหลกแบกไปจนล่มไปล้มไปนั่งดูที่มันที่มันหมดสภาพไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย แต่ก่อน ต, ต้องอดต้องทนต้องออยจิงออยจังไปเจียวข้องรูบคํมมันปัญยาพอไปสองหาทิฏฐิปุกเบิกไปเลยเห็นถูกเห็นถูกไปหมดเลยจิงที่มาคกิดเงิปลากับใจเห็นถูกเห็นชอบเป็นสมาทิฏฐิ เมื่อเป็นสมาีิดีก็เป็นรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองขึ้นมองหลยก็มองถูกพูดถูกคิดถูกทำถูกไปเลยมันเป็นสูตรเนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษามันก็กกเกื่นมากที่สุดเลยมืดแปดด้านเคยเจอเจ็บตาย หลงกี่ครั้งกี่หนทุ ก, กี่ครั้งกี่หนมีปัญหากี่ครั้งกี่หนที่สงสมไข่ครั้งก็ไม่รู้วพามันรู้จริงจมือจบได้เปรบกวดได้กองหลังคือลู่ขันหน้ต า, ามความเป็นจริงจะบอกกองหลังเหมือนเราเดินทรงมยัติตร หน่วยน้าหน่วยหลังหน่วยเสบียงหน่ว ย, วยอะรต่างๆเก็บปองหลังเก็บขยะเก็บถุงเก็บกล่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดินธรรมยาตาในวันเขียนล่ำลึกพักอยู่ที่อำเภอเชียงคานแล้วก็ออกกองหลัง เห็นเราก็ไม่รู้เหรเขาจัดว่ายังไงเพื่อดูวยความเรียบร้อยก็มีกองหลังมัดป่าชุกโตก็มี <c oughs> เป็นกองหลังเป็นผู้เก็บขย ะ, อะเอเก็บป้ายติดตามห้องง้มห้องน้ําหญิงห้องน้าชายเก็บม้เวลาไปใช้ก็ขึ้นป้าย กหน้าเนกองหลังของหลังเป็นกองหน้าบาทีเจ็บป้ายเจ็บขา ย, ยาเจ็บสิงเจ็บของดูแลที่อยู่ที่พักเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเจาเจ้าถิ่นเจ้าของเราสนใจของหลังไปถามดูส่วนมากเป็นอุบาสิกาเป็นผู้หญิง ผู้ชายมีน้อยๆถามดูมาจากไหนบางคนก็มาจากอำนาจเจริญซูเรนตังก็มีสงขาก็มีสงเทพก็มีมาหลายหลายทิศหลายหลายทางมาร่วมกันเนียบร้อยก็กองหลัง หน้าอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่รีบของหลังจะมีรถนั่งนะของหน้าไม่มีรถต้องรีบไปก่อนแนวหน้าใช้รถไปได้เหมือนกันนักลุกกองเสบียงกองหลังเน็ลหน้าต้องบุกบืนไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนๆกันเนอะกองหลังคือเจ็บ ขันหน้าให้เข้าที่เข้าทางเก็บให้หมดเป็นกองหลงังเสร็จสิ้นเลยหมดเนื้อหมดตัวอี่มมาเป็นสุขเป็นทุกข์เสียงเก่าไปเลยเนะี่ยทำไมจะเก็บมาได้เพราะมันเห็นเนี่ยเราอยู่ที่ไหน มันเอาของบ้านของเรือนของงานของขนเก็บเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยไม่เกะ ก, กะชีวิตเราเป็นเช่นนั่นนะถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาก็เกะ ก, กะวุ่นวายไนหมดเลยยากกับตัวเองมีปัญหากับตัวเองมีกายก็ไ้เป็นสุขเป็นทุกข์ มีจิตใจก็ไว้เป็นสุขเป็นทุกข์อวัยละก็อวัยชังอาวัยพอใจไม่พอใจนอกจากกายจะ ก, กายก็ ม, มีสมมติมีวัตถุสิ่งของก็งมาเป็นปลญวัตถุอาการต่างๆนะเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นรูปเป็นนามก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ใช้ชิพไม่เป็นก็พลุงพลังไปกิดเหลวติดเวียติดกล่มติ ด, ด ลูบิดลดจิตติเสียงปลอยอีกมากมายเท่าไหรก็ไม่พอมันก็เป็นปัญหาใหญ่พอลหนักอย่างที่เราสวดปลหาเวเปัญจากขันธ์ธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเลอโอ้ พระเจ้าวางลงเสียแล้วไม่ถือโอ่อีกแล้วแล้วก็มีสิทธิชอบทำที่สุดมาได้ทุกข์เพราะตัวเองไม่ได้ฉุกเพราะตัวเองแล้วจะเอาเที่งเกินมาเป็นสุขเป็นทุกข์า่างเลย้าเราไม่รู้เอามาเป็นเรื่องสุขเรงทุกข์หมดเลยเอาชี้ไปห้อยไปเขนวนไว้กับสิ่งอื่น อย่างบันที่เขามาล้างพิษหลงวงพ่อพูดว่าล้างมันหมดบองเลยยังมีจินบุตรียังมีอะไรที่ไม่ถูกต้องตรงล้างหมดภายนอกภายในมีคนเอากวดเบียร์ไปวางไว้กติหลวงค่อเนี่นเหายใจออก อมร้ว่ใครเห็นหลวงพ่อพูดเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็เอดเบียไปบางให้แต่คงจะเอาเบียมาจิ้นด้วยร่างบางมันชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะจบเป็นนะชีวิตของเราเนี่ยจบเมื่อก่อนเคยเจอเจ็บตายได้ ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำอย่างเกินไม่รับผิดชอบ่มยได้รู้มืดคิดไม่ออกให้คนอื่นเขาว่าไปทำบุญทำทานอะไรก็ให้ว่าไปแต่ขอสอนขอบอกเรื่องนี้คือปฏิบัติธรรมคือเอาของจริงมาศึกษาเรามี่อายมีใจเอาสติไปดูมันดูเนี่ยทำได้ทุกคนเนี่ย ให้มีสติไปภายในกายลองดูนสิบสี่จังบะวิชากรรมฐานพอเพียงเพียงพอไม่ขาดตัวปกค้องเป็นชั้นศึกษาที่อุดมอุดมการศึกษาที่เอาศึกษาเรื่องชีวิตเราไม่มีมหาวิเลยไหนสอนนอกจากตัวเราเองสอนตัวเราเอง ผู้อื่นสอนให้ม่ได้ปฏิบัติเองดังที่พระพู้เจ้าตรัสพระธรรมพระองค์ได้ตัดไว้แล้วผู้ศึกษาปฏิบัติต้องศึกษาด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการชวนคนอื่นมาดูควรบอกคนอื่นบ้าง ผู้ปฏิบัติเจะยอมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามทุกคนเจริผู้ปฏิบัติผู้ใส่ใจมากเช่นมีสิบสี่จังหวะถ้าใส่ใจก็รู้ทุกจังหวะถ้าบางคนเขคุ้นคิดไปปล่อยที่งไปก็รู้น้อยตามทุกคนเจริผู้ปฏิบัติ เป็นปัจจตังบอกได้เองของผู้ปฏิบัตินี่คือมหาวิเลยชีวิตที่เราศึกษาเอากายเอาใจมันเป็นสูตรมีสติเป็นนักศึกษาไม่มีที่ใดคอไม่ใช่ทีน่นี้ให้โอกาสให้สิทธิจะเป็นมิตรเป็นเพื่อน เกิดอะไรขึ้นถามกันได้บางทีมันไม่มีคำถามหรอกมีแต่คำตอบสัจธรรมไม่มีคำถามมีแต่คำตอบตัวเองต้องตอบเองแล้วก็ให้ความสะดวกในการใช้ชีวิตเพื่อการนี่โดยตรง อย่าเบียดเบียนกันถ้าไม่เคยเป็น่านละจะบเราไห้สนับสนุนกันเวลากินก็ปีแล้วครั้งให้ไปกินไปทานาที่มันลำบากก็บอกกันได้ไม่ทอดม่ทิ้งกันเจ็บค่ไดนป่วยก็บอกกันดูแลกัน ต่ให้สถานที่นี่เป็นที่ฝึกเรื่องนี้ตามที่เราจะพอทำกันได้แล้วก็มีเพื่อนมีเมรมีหลายคนช่วยกันมีแม่ชีมีญาดโยมมีพระครูบาอาจารย์สำหรับหลงตาเนี่ก็ก็น้อยลง การเผยแพร่การบอกการสุขอนุ่ยลงแต่การไม่ทำเนี่มากขึ้นมีทำรักษาธรรมรักษาวินัยได้มากขึ้นแต่การที่เผยแพร่น้อยลงเนื้อใจพวกเราช่วยกันเป็นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงเป็นสติปัญญาแทนกันบอกกันอยู่ด้วยกัน มีพระมาถามเรื่องหลักสูตรการช่วยเหลือคนวาระสุดท้ายคือคนใกล้จะตายจะให้ทำแบบไหนบ้างแต่ไม่ใช่หลักสูตรที่ไปเขียนให้เรียนให้รู้เอาจากตัวเองหลักสูตรจริงๆ เอกจากตัวเองเออกจากคนอื่นคนอื่นก็แสดงให้เราเห็นความเท็จความจริงเราลูกความเท็จของจริงของชีวิตเราก็ลูกกับความเท็จของจริงของคนอื่นได้มันต่างกาันไม่ใช่เป็นสูตรสาเร็จเย้เวลาบางคนมันไม่รู้อร่อยเลยมันเมอไปก็เป็นสูตรหนึ่งที่ไปเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับ คองอย่างนั้นแต่บางคนก็ลองอวยอ้ายอวยอายทรมานอย่างนั้นก็สูตรหนึ่งมันมีสูตรที่เติดเติอเราเนี่ยเราไปเอาคนอื่นมาเป็นโจดเราจะเป็นผู้เฉลย อ, อย่างนี้นะเหมือนเคยแพทย์แพทย์เอาความรู้จากตัวเองที่ศึกษามาเอาคนป่วยเป็น ดันให้ข้อมูลเอาหลักฐานจากคนป่วยก็ให้ยาถูกดูสงมฐานของโลกถูกอตนนั่นเป็นโลกภายโนโลกแต่เราจะใช่ดูแลจิตวิญญาณของคนเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราจะช่วยได้ดีเราก็เห็นอย่างคนที่ เราก็ดูกมมบวดว่าจะมาบวชมันตายก่อน เ, อเลยเลยมีคนบวชแทนเวลาเขาจะตายล้วก็เคยหลวงพ่อเคยสอนเขาไม่ได้สอนที่นั่นสอนเมื่อก่อนนูน่น ที่แรกก็มาอยากไม่อยากหลับตาหลับตาเมื่อไหร่ผมจะตายว่าจะหลับตาเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่ก็จะเลิศขึ้นมาวันที่สุดก็หลับได้พอหลับลงไปก็ถูกโอนแต่คิดว่าหลวงพ่อหมอสนอนหลวงพ่อหมอบอกพอตื่นขึ้นมาก็บอกคนที่ดูแลอยู่ในห้องไอซียูนั่นว่าบอกเมียว่าพี่ไม่ ไม่กลัวไม่เป็นไรแล้วหลวงพ่อหมอสอนแล้วไม่กลัวแล้วไม่มีอะไรแล้วสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วยกไมวขึ้นสอนลูกสวนเมียดูเมียมันอย่างไม่อะไรอย่าดีเลี้ยงดูกให้ดีนะไม่ต้องห่วงพี่นะดูเลยพ่อแม่ดีๆหลงฝากพ่อฝากแม่ไว้ด้วยพ่อแม่ก็ไม่ลูกมีตัวเขาคนเดียวตอะไร พากพ่อฝากแม่ใหดูแลอย่าแตกเล่าสาบฉีกันตั่งลูกสมมังเมีได้ อ, องอาดตายด้วยความช่างงามอันนี้ก็มีเหมือนกันอันที่ก็จะเพิ่งคนอื่นเลยก็มาได้ต้องึกเอาไว้ว่างรู้จั ก, จกอว้ว่างบอกเดี๋ยวนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุก มันปวดเทนมันปวดไม่เป็นผู้ปวดดู่อเปลี่ยนอะไรที่เป็นรูปเป็นรูปมันเลยไม่เป็นไปกับมันทั้งหมดเดยมีคำพูดมีคำพูดว่าเห็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรกบวันลายที่มันเกิดกับกายกับใจนี่จริงไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เป็นอะไรไปกับมันทั้งหมดเลย รู้แล้วความเจ็บก็รู้แล้วความแก่รู้แล้วความตายรู้แล้วไม่เป็นอย่างไรไม่ได้ตายผู้ความตายไม่ได้เจ็บผู้ความเจ็บไม่ได้สูกผู้ความสูกไม่ได้ทุกข์ผู้ความทุกข์นี่หัดทำอย่างนี้ฝึกไปอย่างนี้เราก็เห็นอยู่เนะลยเว่าเรามีสติอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเห็น มันหลงเห็นมันหลงมันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยไปแบบนี้ไปสุขสูงแบบนี้ถ้าเป็นเรืมันต่ํานะหลงเป็นผู้หลงสุกเป็นผู้สุกทุกข์เป็นผู้ทุกข์หิวเป็นผู้หิวเบื่อเป็นผู้เบื่อผิดเป็นผู้ผิดถูกเป็นผู้ถูกสงบเป็นผู้สงบพุ่งส่านเป็นผู้พุ่งส่านไปต่ำต่ำแบบนั่นนะไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติจะต้องเห็น เห็นมันนี่เฉดีเห็นมันกลับมาเนี่ยทิ้งมันเลยกลับมาลูกเอาความหลงกลเป็นความรู้ความทุกข์กลาเป็นความรู้ อ, อะไรก็ตามกลายเป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปรอดหรือมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนหมดเชื่อได้หรือเบาลงลดน้มหนักลงเห็นไม่เป็นเนี่ย มั้งเรายินมออลสัมควรเฉยเลากลับปพ่อมกัน